สถาบันพลังจิตตานุภาพร่วมกับมูลนิธิหลวงพอ่อวิริยังสิรินทโรเสนอการบรรยายหลักสูตรครูสมาธิโดยพระเทพเจติยาจารย์พระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสุรินทรโรตอนชาญเรื่องประโยชน์ของชาญวันนี้ก็มาอีกทำไมถึงเร็วนัดเนี่ย ยังไม่ทันไรจะจบแล้วเวลาที่เราทำอะไรเป็นเวลาเป็นเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยมันชอบเร็วถ้าทำอะไรนี่เดี๋ยวทำทีเดี๋ยวไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ช้าแท้ที่จริงก็เวลาเดียวกันนั่นเองยี่สิบสี่ชั่วโมง <c oughs> อย่างคนที่ ไปติดครุบอย่างเงี้ยก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าแหมไม่รู้มันเหมือนกี่ปีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ว่าไปว่ามาก็ามาอยู่ที่ใจเราอีกนั่นแหละพอใจว่าช้ามันก็ช้าพอใจว่าเร็วก็เร็วในขณะที่เวลาก็อันเดียวกัน มาคิดถึงว่าแต่คนเรานี่พอหมดลมหายใจก็หมดลมหายใจแล้วก็อะไรอะไรก็หมดความรู้สึกเพราะว่าใจออกไปแล้วแล้วก็อาชีสมันกายก็ไม่อยู่แล้ว <c oughs> ในขณะที่ เวลาเนี้ยใจก็ยังอยู่อธิสมานกายก็ยังอยู่ก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้อะไรต่ออะไรเป็นคนอยู่ตลอดหรือว่ามีความรู้สึก <c oughs> แต่ทีนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอนะ่ะมันวันใดก็วันหนึ่งมันก็จะต้องมาถึงแต่ว่า ก่อนที่จะถึงวันนั้นเราก็มาเอาประโยชน์ซะให้เต็มที่ทางใดที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับในชีวิตนี้ครั้งก่อนได้พูดไว้ทีนึงแล้วว่าหลวงพ่อตกแม่น้ำ ม, มูลไปเกือบตายแล้วเกือบจะหมดลมหายใจแล้ว แต่ว่ายังอยู่เทนี้มาครั้งที่สองที่ยังแลยต้องคิดจนกระทั่ง บ, บัดนี้ก็คือวิ่งหนีอะไรรู้ไหมวิ่งหนีรถไฟลองคิดดูซิว่าวิ่งหนีรถไฟเนี่ยมันต้องทำยังไงทีนี้ไอ้ไม้หมอนรถไฟเนี่ยมันทำให้เราวิ่งไม่ได้ จะเต็มเก้าก็ไม่เต็มจะขึ้นเก้าก็ไม่คึ้งแ่ไม้หมอนรถไฟอะ่ะคนที่ไม่เคยเห็นรางรถไฟก็คงจะไม่รู้วันนั้นเดิน เ, เดินม า, าจากคือไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติบ้านที่ก็อยู่ไม่ไกลนักไปด้วยกันสองคนพี่น้องหลวงพ่อก็เป็นพี่ อน้องสาวก็เป็นก็หมายความว่าเป็นน้องสาวในคราวนั้นก็คงอายุสิบปีกว่าทีเ <c oughs> น, นี้น้องก็ยังเล็กแต่เราก็ใจด่วนรีบอวิ่งข้ามไออวิ่งข้ามไอตะพานมันมีตะพานแล้วก็วิ่งข้ามตะพานมาวิ่งข้ามตะพานมา าตายจริงน้องอยู่กลางกสะพานพอดีโอรถไฟมาพอดีอะไรกันทีเนี้ยก็ตัดสินใจว่าตายก็ตายพร้อมกันถ้ากลับไปก็คงโดนตีเป็นแน่ว่างั้นใจเก็บไว้กระโดดพึ่งเดียวไปอุ้มน้องสาวมาวิ่งที่เนี้ยไอ้วิ่งเนี้ยมันต้องวิ่งตามหมอนเพราะว่าไ<ง>อา้อตรงกลางมันถ้าวิ่งก็ตกเอตกร่องพอดี ก็เสร็จเรียบร้อยเวลาเวลาวิ่งต้องเล็งเลเงหมอนให้ดีต้องเหยียบถ้ายียบพลาดก็เรียบร้อยอพออพ้นสผ่านมารถไปก็วิ่งเรียกว่าเฉียวก้นพอดี <c oughs> เฉียวก้นเนี่ยเราทายัยางไงหลวงพ่อทําไงตอนนั้นโยนน้องลงไปโน่นเลย <c oughs> โยนเนี้ยมันไปก่อนเราก็ไม่เป็นไรที่มัน โยนออกไปเราก็โดนรถไฟเฉียววิทย์ไอพอเขารอเป็นชี้ใหญ่ น, น, น, น, นี่นี่นี่นี่น่นคยเหตุการณ์ครั้งที่สองของชีวิต เ, เวลาที่ผ่านมาผ่านมานี่จวนเจนจะหมดชีวิตไปก็หลายหนน่าอยู่ที่ วัดธรรมงคลเนี่ยพามาอยู่ครั้งแรกก็ น, นึกว่ากรุงเทพเนี่ยมันจเจริญ น, นะกรุงเทพเนี่ยใครๆเขาก็บอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่า น, นอกเนีกรุงเทพมันจเจริญมากเหมือนยมเมืองฟ้าอย่างเงี้ยเหมือนอย่างสวรรค์คิดด้วยอย่างนั้นแต่ก่อนที่ยังไม่ได้มาสัมผัสคิดอยู่ในใจว่ากรุงเทพมคงเป็นเหมือนเมืองสวรรค์ ทีนี้พอมาอยู่ที่วัดธรรมงคลครั้งแรกนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีแต่ป่าสะแกป่าสะแกป่ามะขันเทศป่าพุงดอป่าเมือประหมออะไรอย่างเงี้ยแอ้มเลยแล้วก็นอกนั้นก็มีงูงูเหา่า เยอะเลยมาครัง้งแรกแอนไหนเขาบ่ากรุงเทพมันเป็นเมืองสวรรค์ทําไมมันเป็นอย่างนี้ในตอนที่จะมาเานี่ก็ไปอยู่ที่วัดบรมนิวาสไปอยู่วัดบรมนิวาสเนะ่ยไปอยู่ที่กุฏิสันติวิหารเหตุผลที่จะมาที่นี่ก็เพราะว่าอาไปอยู่ที่นั่นเพรอปวดท้องซ่วม พระเขาหวงส้วมพอปวดท้องบอกว่าขอส้วมหน่อยเขาก็ใส่กุญแจเงียบไม่น้ำใจพระกรุงเทพนี่เป็นอย่างนี้เนอเราว่านะ <c oughs> อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกลายมาเป็นวัดกรุงเทพพระกรุงเทพแล้ว <c oughs> และทีนี้ก็บอกว่าผมปวดแต็มที่แล้ว มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเขาก็ไม่ว่าเราไม่รู้จะไปที่ไหนก็วิ่งหลบหาที่ไหนก็ไม่ได้มันไม่มีที่หลบขึ้นขึ้นคดีได้ก็ถ่ายลงกระโถนให้มันสิ้นเรื่องบอกว่าคงอยู่ไม่ได้แล้วไม่เอางั้นก็เลยขึ้นรดเมขาวขึ้นรดเมล์ขาวมาที่ผ่านมาเรื่อยๆมาเนี่ย ตรงไหนเป็นป่าก็จะแวะเข้าตรงนั้นแหละก็พอดีเห็นป่าตรงนี้เป็นป่า ก, ก็เลยหยุดลดลงเดินเข้ามาเดินเข้ามาคันแรกมาอยู่ที่นี่ขันแรกโยงเข้ามาสองสามคนน่ะอ่าบอกว่าบอกว่าอาจารย์อาจารย์จะทำอะไรอะ่ะจะให้ทำอะไรจะให้ช่วยทำอะไร เา่ช่วยทำส้วมอันอื่นยังไม่เอาเพราะจะทำกี่ที่พรเพอื่อทำหกเท่ถ้ามีสองอาจะมาหกี่เราจาทำให้มันสมใจวัน้นเลยทำส้วมโซ่หกห่อ ง, องพอทำเสร็จวันนั้นแม่ฝนมันตกลงมาอย่างหนักกดเราก็ทันไม่ไหว ในที่สุดหลวงพ่อกัพระก็เลยต้องไปนอนในส้วมเพราะว่าเราทำหกนี่เหลือเหลือนั่นเราไม่ได้ส้วมเราก็ไปนอนห้องที่ไม่ได้ <c oughs> เรื่องไปอย่างนั้นอันนี้ก็เกรดย่อยว่ากันไป <c oughs> ก็วันนี้เราก็มาถึงเรื่องฌานกันอีกทีหนึ่ง ในที่นี้ฌานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำประโยชน์ต่อบุคคลโดยทั่วไปแต่ฌานจะเกิดแต่เป็นโดยเอกเทศของฌานเองไม่ได้จำเป็นต้องมีหลัก เ, เหมือนหรือของสมาธิแต่อาจกล่าวได้อีกประการหนึ่งว่าไฟกับเปลวหรือแสงไฟจะแยกะจะแยกกันยากนัก แต่จะต้องทราบว่าถ้าไม่เริ่มก่อไฟแสงหรือเปลวก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสมาธิกัชาจะมีการผสมประสานกันอย่างแนบสนิทหมายความว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยชาจะเกิดขึ้นมาเองอันข้อ น, นี้ก็ให้จดจำไว้ด้วยว่าชานเนี่ย เราเราทำฌานไม่ใช่เราทำสมาธิแต่ว่าฌานเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราทำฌานแล้วจะทำฌานทีเดียวทำไม่ได้ต้องทำสมาธิอย่างนี้หรือว่าเราจะเอาแสงไฟอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องกดสวิตช์ก่อนอย่างนี้เป็นต้นทุกคนที่ฝึกสมาธิจุดประสงค์คือต้องการความสุขสบายฌานนั่นคือความสุขสบายแต่ ความสุขสบายเหล่านี้จะเกิดตามธรรมชาติธรรมดาจึงเรียกว่าฌานที่มีความเป็นปกติของมนุษยชาติทั้งปวงได้กล่าวแล้วว่าสมาธิก็มีอยู่สองอย่างฌานก็ต้องมีอยู่สองอย่างเช่นเดียวกันคือฌานธรรมชาติแล้วก็ฌานที่สร้างขึ้นสมาธิธรรมชาติและสมาธิที่สร้างขึ้นเป็นอันเดียวกันอย่างเดียวกัน เพราะฉะนั้น เ, เมื่อชานธรรมชาติมีอย่างไรชานที่สร้างขึ้นก็จะมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าความสุขนั้นจะมีเหนือกว่ากันเท่านั้นเช่นอย่างเราประสบความสำเร็จประกอบกิจการงานอะไรที่ประสบความสาเร็จก็จะเกิดความสุขการกระทานั้นคือสมาธิ ความสุขนั่นคือฌานเช่นเดียวกันกับเรานั่งสมาธิเกิดความสบายขึ้นจะสบายนิดหนึ่งก็ฌ า, านสบายมากกว่าฌานแต่ทีนี้เราเองเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้ฌานที่จริงแล้วเกิดฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอธิบายกันอย่างนี้เป็นการถูกต้อง <c oughs> คือว่าฌานนั่นอ่ ะ, อะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเนี่ย <c oughs> ไปเสด็เจเรื่จนกระทั่งเราเอื้อมไม่ถึงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทราบว่าความสุขสบายเอเป็นเงาตามตัวหมายความว่าแต่เมื่อเราเริ่มสมาธิฌานก็เริ่มเป็นเงาตามตัวก็จะทำให้ความสุขสบายเพิ่มขึ้นหมายความว่าไม่ใช่ปกติประเหตุดังกล่าวก็จะทราบว่าประโยชน์ของฌานได้เกิด ขึ้นอย่างไรก็เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างที่เราได้ประสบเห็นอยู่ทุกวันเปรียบเหมือนเงินที่ทุกคนปรารถนาแต่จะอยู่ในกำมือของเราเท่าไหร่นั่นคือปัญหาถ้ามีน้อยก็คือเงินถ้ามีมากก็คือเงินถ้าไม่มากใช้ไม่กี่ครั้งก็หมดคำว่าฌานก็เปรียบเช่นนั้นคือว่ายามที่กล่าวไว้แล้วว่าความสุขความสุขนั้น อย่างที่เรามีความสุขที่เราได้ที่เราสงความปรารถนาและทีนี้เมื่อเกิดเป็นฌานความสุขก็แบบเดียวกันนั่นแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นส่วนประโยชน์ก็เกิดจากเงินเรียกว่าผลประโยชน์จะจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ไม่ขัดข้องเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเป็นอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน พระชาญที่เกิดจุดตลอดเวลาถือว่าได้ใช้ได้จ่ายแต่ไม่มากพอเหมือนบุคคลยังไม่ทราบวิธีการหาเงินหรือไม่ถูกหลักการการหาเงินก็รับจ้างเขาไปวันต่อวันได้บ้างแต่ไม่มากแต่บุคคลผู้ทราบวิธีและมีไหวพริบหาทางให้บางเกิดเงินขึ้นมากมากจากห้างร้านบริษัทเป็นต้น มาถึงเรื่องฌานก็คือบุคคลเริ่รรมทำสมาธิเป็นฌานโดยการหล่อหลอมความเป็นฌานแหล่งให้เกิดฌานตามลำดับยึงเหมือนคนหาเงินได้พบแหล่งเงินแล้วก็ทำเงินได้มากประโยชน์นั้นได้เพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณจากที่เขาได้เงินจํานวนมากแล้วอันนี้ก็เป็นความชัดเจนแล้ว ต่อไปคือประโยชน์นี้เองที่จะทำให้บุคคลต้องไฝหาถ้าไม่มีประโยชน์การพุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของฌานก็คือความสุขสบายระดับแห่งความสุขสบายนั้นได้หอเลี้ยงนำใจของผู้ที่ประสบประลิมรสพระบุคคลโดยทั่วไปไม่ว่าจะทำการใดๆโดยจุดประสงค์ปรารถนาความสุขให้แก่ตนทั้งสิ้น ด้วยการหาเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดนี้ต้องการความสุขเพราะเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติเป็นปัจจัยอำนวยความสุขที่ทุกคนปรารถนาฌานที่เกิดขึ้นนั้นมีขั้นตอนระดับที่เกิดขึ้นจากพลังจิตที่ได้สะสมมาเมื่อบุคคลพบฌานหมายถึงความเป็นหนึ่งความละเอียดความสับซึ่งเป็นต้น และมีความสับซึ่งตามลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องทำให้มากเจริญให้มากความเป็นฌานนี้เองจะกลับกลายมาเป็นพลังให้แก่ใจประโยชน์หลายประการที่จะเกิดขึ้นหมายความว่าความสุขที่เกิดจากฌานเช่นอย่างเราทำสมาธิมีความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้น จิตใจจึงต้องการที่จะให้ความสุขนี้เกิดขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาเราก็ต้องการจะให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นความสุขกล่าวนั้นที่เกิดขึ้นมาจากฌานก็เปรียบเหมือนกันกันกบว่าโวกที่สแสวงหาเงินทองที่จะเอามาอำนวยความสุขและเราก็สแสวงหาฌานเพื่อให้เกิดความสุข แล้วก็มีอยู่สองประการที่เราจะต้องทราบข้อที่หนึ่งนั่นคือการพักอยู่ในเวหารธรรมหมายถึงการดำรงความสุขสุดยอดนั่นไว้อยู่ในใจของเขาตลอดระยะเวลาอันยาวนานในขณะเดียวกันเขาจะกระทบต่อกิจาการหน้าที่ที่จะต้องทำพร้อมทั้งอุปสรรคตลอดถึงไยอันตราย สิ่งเหล่านั้นผ่านเข้ามาก็กระทบบ้างแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นผ่านไปจิตเขาก็จะมีความสุขสบายจึงเป็นประโยชน์ที่จะชะลอหรือลดระดับความหมโหฉุนเขียวหรือขณะทากิจการต่างๆเขาก็อาจจะตัดสินใจไม่ผีแรลมและความเป็นงานจะราบิลื่นคลายความวิตกกังวลเนื่องจากเขามีเวลามีฌานอยู่ในใจของเขาเป็นระยะระยะ นานบ้างไม่นานบ้างแต่เมื่อเขามีวิหารธรรมก็จะมีการปวดเืลิงไปในตัวของมันเองเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาที่เราทำฌานให้เกิดขึ้นนี้เมื่อเวลาเราเลิกจากสมาธิเนือเราเลิกไปแล้วเราก็ยังคิดว่าฌานนี่มันคงมสลายตัวความจริงฌานไม่ได้สลายตัวเราเลิกสมาธิ เราก็คิดการอื่นคิดอะไรต่ออะไรไปแต่ชา่นั้นะ่ะมันจะไม่มีการสลายตัวและมันจะย่อๆๆลงไปจนกระทั่งเหลือหนึ่งความเป็นเชื้อชา่นี่มันจะมีเชื้อเขาเรียกว่าเป็นเชื้อที่ไม่สูญสลายตัวเชื้ออันนี้ที่มันไปลดระดับความโกรธลดระดับความโหยชุนเฉลียวลดระดับความเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ มันจะมีเป็นเชื้ออยู่ในใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปประสบเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะลดระดับพอมันลดระดับได้เออความฉุนเฉียวนี้มันก็ลดระดับลงด้วยและทีนี้ความคิดอ่านต่างๆแทนที่จะฟุ้งซ่านมันก็คิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเป็นสาระ อย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่ า, าทำเป็นเครื่องอยู่ทำเป็นเครื่องอยู่อันนี้ก็เหมือนกันกับพวกเด็กๆอย่างนี้ <c oughs> เราจะมีอะไรตุ๊กตาให้มันเล่นมิฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ไม่สุขเพราะฉะนั้นก็จึงมีของเล่นของเล่นเด็กให้เด็กมันเล่นการเล่นแบบนั้นนะเพื่อไม่ให้มันไปวุ่นวายที่อื่น เขาเรียกว่าวิหารธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปแนะนำเรื่องเด็กเราก็จะไปพูดเหมือนผู้ใหญ่อย่างนี้ไม่ได้วิหารธรรมอย่างนี้เครื่องเล่นเครื่องอยู่อาไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำฌานเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมาทำใจของเราเนี่ยมีเครื่องเล่นเขาเรียกว่าเล่นฌานอย่างนี้ อย่างตาหรือสีเล่นชาญใจของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในชาญที่เราทำเชื่อเอาไว้นั่นแหละ <c oughs> ทีนี้ข้อที่สองการแสดงความสามารถหมายถึงว่าการวัดสัดส่วนของการดำเนินงานเช่นความคิดนี่ถ้าคิดเกินห้าหกชั่วโมงจะเป็นการลาของสมอง ทั้งร่างกายและจิตใจแต่ความสามารถของผู้มีฌานจะดําเนินงานแม้จะสามวันสามคืนเขาก็จะไม่เกิดความลาของสมองร่างกายและจิตใจเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่ทํางานการคุ้นคิดวางแผนงานฌานยังอยู่ในใจของเขาจึงทําให้ไม่เสียกําลังมากในเวลาทํางาน นอกจากมีประโยชน์ในงานทั่วไปแล้วความสามารถของฌานยังยับยั้งความคิดของผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์คือว่ายางเทกมันมีอำนาจยังไงมันมีอำนาจคือว่ายางคนที่เป็นอาธิบดีอย่างเงี้ยหรือเป็นรัฐมนตรีอย่างเนี้ยเขามีอำนาจมีอำนาจอะไรสั่งย้าย รัฐมนตรีสัญญยายอธิบดีอธิบดีสังญงย้ายผู้อำนวยการผู้อำนวยการสังญง้ายกันแล้วแต่อันนี้อำนาจอำนาจอันนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอำนาจอันนี้เกิดขึ้นมาได้จากการที่แต่งตั้งแต่งตั้งก็คือคนคนนั้น่ะก็คือนายกคนคนนั้นเดินดินเหมือนเราอยู่แคบเดียวเท่านั้น่ะเขาแต่งตั้งขึ้นไปเป็นรัฐมนตรี แล้วนวายกอที่เดินดินอยู่นันนะ่ะมันสามารถย้ายอธิปไตยได้อย่างนี้ใครเรียกว่าอำนาจอำนาจอันนั้นเกิดขึ้นจากตำแหน่งอำนาจอนาัอนอนัน้นเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทีนี้มาถึงอำนาจของชาญเนี่ยมันก็จะเกิดมีการเรียกว่าสามารถที่จะข่มใจเราได้สามารถที่จะยับยั้งบุคคลผู้อื่นได้อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็ไปขั้นหนึ่ง อันนี้พูดให้ฟังแต่ว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้มันก็ไม่ง่ายดังเราเคยได้ยินคนที่เขามีอำนาจสามารถจะย้ายบุคคลผู้ที่อยู่ใต้อำนาจได้โดยพลันก็ได้บอกแล้วเมื่อกี้และคนคนนั้นยังมีอำนาจหน้าที่ยับยั้งความคิดแผนงานของบุคคลผู้อื่นได้ด้วยอำนาจของเขาเช่นอย่างอิบดีจะทาอย่างนั้นรัฐมนตรีบอกวไม่ได้ แค่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออำนาจอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบถึงว่าฌานก็เช่นเดียวกันในใจของผู้มีฌานนั้นสามารถที่จะยับยั้งความคิดและแผนงานของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเคยคนนั้นเขายับยั้งด้วยคาสั่งแล้วเซ็นแต่ผู้ที่มีฌานเนี่ยไม่ต้องเสนเ หลับหรือไม่หลับอย่าหลับนะที น, นี้ออันนี้พูดเอาไว้นะเพูดเอาไว้ว่าการที่ทำเนี่ยมันทําได้แต่มันไม่ใช่ว่าเรามีฌานอย่างนี้แล้วจะทําได้ทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าทําเนี่ยมันทําได้เป็นอย่างนั้นเป็นตน้นประโยชน์ของฌานยังมีอีกมากซึ่งเราจะต้องได้ศึกษาต่อไป ถ้าบุคคลพร้อมแล้วที่จะรวบรวมพลังของตนทุ่มเทให้แก่ชีวิตคาว่าพร้อมหมายถึงทั้งสติปัญญาวความรู้ความเข้าใจความสามารถเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตของตนการตัดสินใจนั้นสำคัญเมื่อมาถึงขั้นนี้บุคคลที่จะบุกงานหมายถึงลงมือจัดการดำเนิน ง, งานตามขั้นตอนของเขาทุกขั้นตอนที่เขาทา ก็จะต้องถูกบ้างผิดบ้างตามความเข้าใจและการตัดสินใจหลังจากนั้นทั้งเหตุและทั้งผลก็จะเกิดขึ้นแก่เขาอย่างไรก็ตามบุคคลทุกคนตั้งความหวังสูงสุดไว้กับตนทั้งนั้นส่วนการจะบรรลุเป้าหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งหมายความว่าสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างการตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างทาชีวิตให้ล้มเหลวบ้างทาชีวิตให้รุงเรืองบ้าง เป็นธรรมดาของความเป็นอยู่ของโลกนี้อันนี้เขียนไว้เพื่อให้เข้าใจจังว่าเป็นธรรมชาติที่บุคคลได้เกิบังเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องดำเนินการเช่นนี้ดังนั้นฌานที่บุคคลรวบรวมกาลังของฌานมุ่งสู่จุดแห่งความสุขสบายใช้ความขยันหมั่นเพียรแห่งแรงตรงไปสู่จุดที่กาหนดด้วยการทุ่มเทกาลังวางแผนระบบต่างๆให้แก่ตน จนกินเข้าสู่ผวังอย่างคล่องตัวหากสามารถจะเข้าหน้าโซ่จุดละเอียดแห่งฌานตามลําดับจนถึงจุดที่สุดบรรลุเป้าหมายคือรูปฌานและอรูปฌานนี้คือเป้าหมายแห่งความหวังของผู้เป็นฌานทุกคนแต่จะเข้าถึงหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบุคคลเมื่อเดินมาทางฌานนี้แล้วย่อมจะได้เห็นสิ่งที่น่าประหลาดนานับประการ ทีนี้การที่คนบรรลุรูปประฌานก็ดีหรือรูปประฌานก็ดีชานเหล่านี้นั่นบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นของเท่มันคงถาวรมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันคงถาวรบางทีอาจจะไปถึงรูประฌานสักแ ป, ป๊บหนึ่งบางทีอาจจะไปถึงรูประฌานสักแ ป, ป๊บหนึ่งอย่างนี้มันเป็นไปได้แต่การเป็นไปแค่นั้น่ะมันเขาเรียกว่าเพียงสัมผัสนิดหน่อย แต่ถ้าหาว่าจะไปอยู่นานๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของฌานต่อไปเป็นไปได้อย่างคนที่ทำสายยศาสตร์ต่างๆนี่ต้องอาศัยกําลังฌานคนแสดงพลังจิตต้องอาศัยกําลังฌานหรือคนจะแสดงสิ่งลึกลับต้องอาศัยกําลังฌานมันฌานมันอาจจะถ้าทำไปได้อันนี้เรารู้เอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมาตบตาเราได้ว่าคนทําอาศัยยศาสตร์นี่มันเกิดขึ้นจากอะไร คนแสดงพลังจิตมันเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นได้แต่ที่จะเกิดขึ้นได้มันก็จะต้องมีเหตุผลที่เกิดขึ้นบางคนอย่างนี้ไม่ได้ชานแต่อาศัยจิตวิทยาหลอกต้มตุนอะไรอะไรต่างๆอย่างนี้ที่เราพูดหลอต้มตุนนั่นือว่า เราไม่ได้อะไรหรอกแต่เป็นคนที่มีจิตวิทยาสูง mm. ก็บอกว่า mm. ฉันทำอย่างนี้อฉันทำอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไม่ได้ทำหรอกคนที่ไม่เข้าใจกันนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าคนที่เกิดมีความโลภหรือเกิดมีเอจิตที่เขาเรียกว่ามิชฉาทิฐิมันก็ทาให้คนนั้น ประสบบาปกรรมไปตามเรื่อง <c oughs> ทีนี้จะสรุปฌานข้อนี้ไว้ว่ามันมีอยู่สองประการคือฌานที่ธรรมชาติและฌานที่สร้างขึ้นทั้งสองอย่างนี้ควรที่จะมีในตัวของคนแต่ละคนส่วนมากหรือว่าให้มีเยอะ คืหมายความว่าเวลาเนี่ยมันมีแต่ชานที่ธรรมชาติแต่ชานที่สร้างขึ้นเนี่ยน้อยที่ถ้าหากว่าจะให้สมบูรณ์จริงๆสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีอชานธรรมชาติานตั้นมันมีอยู่แล้วแต่ควรจะต้องมีชานที่สร้างขึ้นมามันถึงจะถือว่าเป็นการสมบูรณ์อันนี้คงอธิบายไว้เพียงเท่านี้ วันนี้ก็คงจะต้องต่อเรื่องหลวงปู่มั่นกันต่ออีกสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ว่าหลังจากเทไปอยู่ที่จังหวัดอุบลแล้วทำงานศพเอางานศพก็รีบกลับก็แล้วกันนะเพราะงานศพมันหลายวันเกินไป <c oughs> แต่แท้ที่จริงนั่นหลวงพ่อไปอยู่กับพระอาจารย์มั่นทเอ วัดบุรพาจังหวัดอุบลใช้เวลาอยู่ที่นั่นยี่สิบแปดวันก็ไม่ใช่น้อยท่านก็นเลยเล่าให้ฟังว่าเอ้นี่ไปดูเราเทำสมาธิตอนตอน้ตนแม่วิทยาลโอ้กด็ดีผมอยากจะไปอยู่แล้วท่านก็นเลยพาไอ้ตอนต้นเนี่ยนะเราเริ่มต้นมาที่จังหวัดอุบล น, นี่แหละ เริ่ต้นที่ไหนครับเริ่ต้นที่วัดเลียบวัดเลียบอยู่ที่โน่นที่นี้ตอนนั้นก็ไม่มีรถนนยนต์เราจะไปเดินจากวัดบุรพาท่านก็เดินเราก็เดินไปพอไปถึงวัดเลียบท่านก็ชีว้ว่ากุฏิเนี่ยเรานั่งสมาธิแล้วก็เราเริ่มนั่งสมาธิเนี่นก็ไม่รู้ว่าจะนั่งสมาธินั่งไปยังไงท่านบอกว่าเนี่น ก็นั่งไปพอนั่งไปก็เลยเข้าไปพิรุธเก็คือไปเลยอย่างเงี้ยท่านก็ บ, บอกว่าไปถึงนั่นพอนั่งไปแล้วเนี่ยคงจะเป็นวาสนาบารมีแต่อดีตของท่านจิตก็รวมพอรวมไปแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็ไปเห็นพระเหระองค์หนึ่งไปกราบท่านพระกราบท่านก็เออมาเร่เร่ อ, อเสร็จแล้วท่านก็เดินออกจากนั่นไป ก็ไปเห็นบอ่อน้ําก็ไปเห็นบอ่อน้ําโอ้บอ่อน้านี่บอ่อน้ําอมฤตกินแล้วไม่ตายเ อ, อเสร็จแล้วออกจากนั่นไปท่านก็ไปถึงที่หนึ่งเห็นพระองค์หนึ่งแต่พระองค์นั้นเนี่ย อ, อมามารเป็นแก้วเป็นแก้วแต่พูดได้ไหวตัวได้แต่ตัวเป็นแก้วเป็นกระจกอย่างนี้ อ้าวนี่ท่านได้สําเร็จแล้วนุ่งจงเป็นแก้วเฮ้ยใครว่าเราสําเร็จแล้วเป็นแก้วก็คือสมมุตินั่นเองท่านก็เลยเดินต่อไปเดินต่อไปก็ไปเห็นมิตโกนเอ้มิตรโกนมาวางไว้ทำไมสองเล่มอย่างเนี้ยก็เป็นอันว่าก็แสดงว่ามิตโกนคือปัญญาต้องอาศัยปัญญาอว่างไนต่อจากนั้นไปท่านก็นเล่าต่อไปว่าเออ ไปถึงเหวเอ้นี่เราจะลงเหวหรือจะกลับดีท่านก็นเลยรู้สึกตัวขึ้นนี่คือวันหนึ่งทีนี้แล้วท่านก็นเลยเตรงนี้ก็มวนท้ายเลยว่าถ้าหากว่าพูดอันนี้มันก็คงมีอยู่ในหนังสือที่หลวงพ่อเขียนในประวัติเประวัติของหลวงปู่มั่น <c oughs> แล้วท่านก็นเลย แนะนำหลวงพ่อบอกว่าอันนี้คือทางผิดคุณรู้หรือไม่เราได้ผิดแล้วอันนี้คือทางผิดเพราะอะไรจึงผิดเพราะเข้าฌานแล้วก็เห็นอะไรตออะไรไปเพลินไปเลยอย่างนี้อย่างนี้คือความผิดเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเราจึงได้เลิกจากการทำอันนั้น คงพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหมดเวลา <c oughs> ต่อไปก็เป็นการถามปัญหากันตามอัธยาศัย <c oughs> อันดับแรกขอเชิญคุณสายสุนีวัฒนโกศลกราบนบาฏกาจารย์ค่ะอาิสมันกายหมายถึงกายละเอียด แล้จะอยู่ที่ตัวบุคคลของทุกๆคนเลยคะยังมีชีวิตยอยู่และอธิษฐานกายจะออกจากกาออกจากตัวของบุคคลเมื่อกายหยาบหมดสภาพอยากทราบว่าเมื่ออธิษฐานกายหรือกายละเอียดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนคะเมื่อกายหยาบหมดสภาพไปแล้วอคือกายละเอียดนี่จะบไปตามหนทางคือไปตามหนทางแห่งกรรม ทีนี้จะไม่มีสิทธิว่าฉันจะไปตรงนี้ฉันจะไปตรงนั้นตามอัธยาศัยพอสิ้นสภาพร่างกายอยากนี้แล้วก <c oughs> ็จะอยู่ในสภาพที่ภายใต้ของกรรมที่ทำไว้เคียนอย่างบุญก็ดีบาปก็ดีอะไรก็ได้ <c oughs> จะไปกับจิตนะจิตกับอทิสมานกายก็ไปด้วยกันถ้าหากว่า ไปเกิดเป็นเทพก็อยู่ในทิตสมานกายเกิดเป็นสัตว์เชื้อช้างก็ไปอยู่ในอทิสมานกายแบบเดียวต่อไปขอเชิญคุณประเนศคันสิงกัลมศักดร์อาจารย์ค่ะเอ่อฉัมีคําถามว่าเอ่อพลังจิตสามารถใช้รักษาคนที่มีอาการเกี่ยวกับจิตได้หรือไม่เจ้าคะ คนที่มีกำลังจิตเกิดสามารถที่จะรักษาได้อย่างไรเหรอคคนที่เครือจิตนี่ถ้าหากว่ามันมีลักษณะในร่างกายอันหนึ่งในร่างกายนี่มันจะมีส่วนวิปริตแล้วก็รอนไปถึงจิตมันก็เกิดความวิปริตไปด้วยถ้าสองอย่างนี้ ไปผสมกันแล้วการรักษาทางจิตก็รักษาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นทางจิตโดยเฉพาะที่ไม่มีร่างกายเข้าผสมด้วยก็สามารถที่จะทำได้แล้วเราสามารถเช็คได้หรือไม่เจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับกายหรือไม่ะค่ะทางหมอทางแพทย์เขาคงเช็คได้อะ อ่ความไม่ปริพฤตของใจนี่มันอาจจะใจตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นช h e ได้กาบขอบคุณครัต่อไปก็ขอเชิญคุณคุตดรีรอบรู้กราบนัมรรการพระอาจารย์ค่ะสิบนี้คำถามเพื่อขอคำทีแนะจากท่านพระอาจารย์ค่ะ คือขณะที่นั่งสมาธิอยู่เมื่อก้มมงไปมองเหมือนมีความรู้สึกว่าก้มม ง, งไปมองตัวเองแล้วจะไม่มีเอทิ้นส่วนของอวัยวะอย่างเช่ไม่มีศีรษะไม่มีแขนไม่มีขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอพร่อแจนโปรดชี้แนะแนวทางแก้ไขด้วยเจ้าค่ะอังไม่ถนัดอะไรขาไม่มีเลยในขณะที่นั่งสมาธิเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าก้มม ง, งไปมองตัวเองเหมือนกับไม่มีศีรษะ ไม่มีแขนไม่มีขาเจ้าค่ะมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรเจ้าค่ะอต่อันนี้เราก็มีสติเคยมีสติว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงอกิริยาจิตอันนึงเท่านั้นน ะ, ะคเคยเจ็บเนี่ยเดินตั้งคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเรามีความรู้อยู่แล้วก็ ในใจของเราเนี่ยทำการละลายคือเห็นแคนเห็นข้นห็นทิอะไรก็ลายเป็นดินน้ำไปลมหายไปเลยและให้มันเป็นอวกาศไปนอย่างเนี้ยโอเคไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งอะไรบางอย่างไม่ให้มีความสงสัยในสิ่งนั้นอันนั้นคือธาตุสีดินน้ำไปลมใจของเราให้นึกอย่างนั้น แล้วก็จะหายไปเองกราบพระอาจารย์ต่อไปขอเชิญคุณโอภาสยาสมยาวงกรบมหาปการพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับสิทจ์มีคำถามอยากจะถามนะครับว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างบุญหรือสร้างบาปครับอย่างตัวอย่างเช่นสิทมีความเข้าใจว่าคนที่ ถ้าเรามีบุญเนี่ยเราจะเกิดมาอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยแต่จากที่พบเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เกิดมาในฐานะที่ร่ำรวยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เสียคนแล้วก็จะจะทําบาปซะเยอะกว่าก็เลยอยากจะทราบว่ามันทําให้จิตอ่าทําให้ติดเนี่ยไม่กล้าที่จะมีบุญเยอะแล้วก็เกิดมาอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทำความชั่วได้มากกว่าติดเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครัเพราว่ามาเลย เราฟังไม่ทันนะผู้รั้วไปเป็นแขกเลยเกิดอ่คนเราเกิดมาอาวะไปทไิทำไมถึงรวยทำไมถึงจนว่างนันจะไหมอา่าไม่ใช่ครับเกิดสงสัยว่าเกิดถ้าถ้าคนเราเนี่ยมีบุญ มีบุญมีบุญบรารมีมีบุญวาสนาเนี่ยถ้าคนเรามีบุญวาสนาบรารมีครับแล้วเราอาจจะได้เกิดมาอยู่ในฐานะที่รา่ารวย จ, จะเกิดมารวยครับถ้าต่อไปเกิดมาในฐานะที่ร่ารวยแล้วก็แต่ว่าจากเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยโอเคเหตุการณ์ในปัจจุบันครับส่วนใหญ่คนที่เกิดมาในฐานะที่ร่ํารวยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเสียคนได้มากกว่า คนที่เกิดมาร่ำรวยมีโอกาสอะไรนะมีโอกาสที่จะเสียคนคือทาความชั่วมีโอกาสจะเสียคนครับเอาทําความชั่วได้มากกว่าทําความชั่วด้้ได้มากกว่าใช้อํนานาจบรารมีไปในทางที่ผิดเอเอเ่าแล้วต่อไปก็เลยสงสัยว่าคนเราเกิดมานี่เพื่อที่จะเพื่อ อ, อะไรกันเพื่ออะไรกันแน่ครับเพื่อสร้างบุญหรือสร้างบาปครับเพื่อสร้างบุญหรือสร้างบาป ก็เป็นอันว่ากว่าจะรู้เรื่องก็เป็นนันว่าคนที่รวยเนี่ยมีโอกาสสร้างความชั่วมากกว่าคนที่จนอันนี้เป็นความคิดเห็นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเสมอไปคนที่จนก็สร้างความชั่วได้เยอะและก็สร้างความดีได้เยอะ คนที่รวยก็สร้างความดีไปเยอะเล้สร้างความชั่วก็ไปเยอะเหมือนกันเหมือนกะวัดคณิกาผลอย่างเงี้ยเขาตั้งว่าวัดคณิกาผลก็คือคนที่สร้างบาปแล้วก็ต่อมาก็สร้างบุญกลายเป็นวัดคณิกาผลคือคนเราเนี่ยอยู่ที่ความมีสติคนที่ คนรวยนั่นถือว่าจะมีโอกาสทาความชั่วมากกว่าคนจนก็เป็นไปไม่ได้คนจนมีโอกาสที่จะทำความดีมากกว่าคนรวยก็เป็นไปไม่ได้อีกก็มีโอกาสเ้วยกันทั้งสองฝ่ายคือคนรวยก็มีโอกาสทาความดีและความชั่วเท่ากันคน จนก็มีโอกาสทำความดีและความชั่วเท่ากันอันนี้อยู่ที่บุคคลคนนั้นได้รับการอบรมหรือว่าเสวนาก็เรียกว่าอะเสวนาจะพาลานังปนทิตา น, นันจะเสวนาเค <c oughs> ค น, นาบางคนเนี่ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีคบมิชั่วก็เลยไปชั่ว คนที่คบมิตรดีก็ไปดีอันนี้อยู่ที่สติหรือว่าอยู่ที่สิ่งแวดล้อมในตัวของบุคคลคนนั้นนั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือว่าบุคคลผู้ที่มีความร่ำรวยนั้นคิดว่า่บุญกุศล ไม่ต้องไปทำเราก็รวยอยู่แล้วก็เลยไม่ทำแต่ว่าคนรวยนั้นก็คิดว่าเรารวยในชาตินี้เราก็อยากจะทำให้มันรวยยิ่งกว่านี้เขาก็ยิ่งทำขึ้นไปก็มีด้วยกันคนจนนชาตินี้เราจนต้องทำบนพยะชาติหน้าจะได้รวยแต่ทีนี้คนจนก็มาคิดว่าเราจะต้องไป โกงบ้างไอไถบ้างไปทำอะไรบ้างก็เลยคิดของความเชื่อเพราะฉะนั้นโอกาสทั้งสองฝ่ายมีเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่สติกหมายความว่าเขาวัดวางท ร, รมันและดีแล้วกรณีที่คนที่สมมติคนรวยนะครับเขาเขาปรับพตวัวไม่ดีเนื่องมาจากพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนมานี่ พ่อแม่เขาจะได้รับอนิสง์ของการกระทำของบุตรไปด้วยหรือเปล่าครับนั่นกันได้เดียกันนั่นแหละพอลูกไหวดีก็ช่วยพ่อแม่เขาคุกอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> อ่ามันก็เท่ากันแต่ว่าคนเนอจนเน่ก็ไปเที่ยวประพฤติอะไรเนี่ยข่มขืนอนาจารอะไรต่างๆเขาก็จับเขาคุกเหมือนกันมันก็เท่ากันแหละเพราะฉะนั้น ทั้งรวยและทั้งจนเนี่ยก็อยู่ในสภาพถ้าหา ก, กว่าในจิตใจมีสติถือว่าทั้งรวยก็ดีทั้งจนก็ดีมีสติใช้ได้ทีนี้บาปที่จะไปถึงพ่อแม่บาปนี่มันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วเช่นอย่างว่าเวลาไปทำผิดเข้าคุกพ่อแม่ก็ต้องตามไปในคุกด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็เอาอยู่ที่ว่าบุคคลมีสติและเข้าใจในการสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นหรือว่าดีทั้งสิน้นนะขอบพระคุณครับต่อไปก็ขอเชิญคุณกัจจรกำราภัยกราบนมัสการพระอาจารย์สลบยิ่ง ลูกศิษย์มีความเรื่มใสศรัทธากับพ่ออาจารย์เป็นอย่างมากถึงเข้ามาได้สามอาทิตย์นี้ที่นี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วลูกได้ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งไปทำนาอยู่ที่นั่นนะครับเขาเลยมีจิตอยากจะฝึกสมาธิในที่พุ่งนาครับหลวงพ่อคือฝึกวิยายุด ก, ก่อนจะไปที่ดอยอินทนนท์นะครับที่นี้ ที่ไปด้วยกันมีพ่อตาแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกสองคนหัวนา ม, มันมีต้นตะโกเยอะแล้วเป็นป่าและปิดเขาด้วยฮะลูกก็ตัดสินใจเอาเสือเข้าไปดูไปถึงที่แรกเดินผ่านไปไม่กลัวฮะพอไปจริงๆกลัวะหลวงพอ่อกลัวว่าจะเจอผีมั่งเจองูมั่งอะไรเงี้ยก็พอาะปิดเขาหน่ากลัวมากลูกคิดว่าลูกไม่ได้สวดกรณีด้วยแล้วก็เอคาถาที่สวดกันอยู่เนี้ย พาะไม่มีเวลาลูกก็เลยสั่งพระตาว่าอย่าพึ่งไปนะครับบอกว่าประมาณให้เวลาสักสามสิบนาทีบอกไม่ต้องไปลู ก, กวนผมวันนี้พอเดินเข้าไปมันมันกลัวครับมันกลัวป่าลูกก็คิดว่าหลวงพ่อวิญยางอาจารย์ของเราท่านเดินทุดงมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ท่านเหม็นกลัวตายก็ตายแหละ ว, วันนี้ผมก็คิดอย่างนี้แหละครับเขาตัดสินใจปูเสือตรงนั้นนะครับ มองไปมองมาต้นหมามุยครัหลวงพ่อครับ <c oughs> มันอยู่ในใต้ตรงนั้นกลัวคันนะครับเพราะมันลมแรงลูกตัดสินใจถอยมาอีกช่วงหนึ่งมันป็นป่าตรงนี้เหมาะดีว่างี้พอเข้าไปถึงลูกก็ตัดสินใจนั่งเลยครับทันพอนั่งสักพักใหญ่ๆลูกก็จิตสงบครับคิดว่าหลวงพ่อบอกขอบา ร, รมีหลวงพ่อด้วยบอกว่าช่วยกุ้มของลูกด้วยว่างนี้ครับลูกก็ น, นั่งพอนั่งประมาณสักนานพอสมควรฮร ถ้าจะเห็นลูกไม่มั่นใจเท่าไหร่เลครับเพราะว่าเพิ่งฝึกใหม่เห็นพ่ออาจารย์เห็นพ่ออาจารย์เห็นหน้าพ่ออาจารย์ครับลอยมาเป็นทองแล้วก็แล้วใส่กีวอนสีกักนะครับับมาฮสีกักนะครับสีาดำดำสีสีธรรมยุทธนะหลวงพอ่อทีนี้ก็ลอยมาไม่ทราบว่านิมิตอันนั้นมันเกิดขึ้นกับลูกลูกจริงหรือเปล่าหรื อ, ห ร, อหรือลูกกลัว <c oughs> ไปว่า กลัวผีหรือกลัวอะไรอย่างนั้นแต่จิตของลูกสงบนะหลวงพ่อครับอยากจะถามเพราะว่าไอ้ที่ลูกเห็นนิมิตนั้นเป็นไม่ทราบว่าเป็นเป็นจริงหรือเป็นนิมิตยังไงครับอ่าไอ้ภาพที่เกิดขึ้นนั้นมันได้ฉายเก็บไว้ในใจของเราแล้วทีนี้พอเวลาที่จิตมันสงบกพระวัง มันก็ปรากฏเป็นภาพออกมาอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตก็เป็นเรื่องดีกันแล้วกันแล้วก็หายกลัวแล้วใช่ไหมครับผมหายกลัวแล้วครับอ่าแก้แล้วดีแล้วแก้แลวนอส ก, กานครับแล้วก็ต่อไปขอเชิญคุณสุกิตลุ่งนิเวศกัาบสมรมการตัณ น, น์พระอาจารย์ขมสุกิตลุงนิเวศก็เพิ่งมาอบรมได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าได้ครับ อันนี้ก็มีข้อสงสัยเรียกกับเรียนถามท่านบาอาจารย์อาจจะเป็นคําถามเก่าๆก็ได้เพราะว่าเพิ่งติดเพิได้มาไม่กี่วันนี่เองอยากจะสอบถามว่ากับเดียนถามทานบาอาจารย์ว่าการเดินจนกลมนั้นชั่วขณะหนึ่งเกิดตัวเบาเหมือนลอยได้แล้วมีอาการเคลิมเหมือนหลับไปช่วงเก้าเท้าต่อไปเมื่อเกิด จะล้มตื่นขึ้นมาได้สติเกิดจะล้มตื่นขึ้นมาได้สติมึนงงไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไรการชนนี้หมายความว่าอย่างไรครับเรื่องการเดินดุกรมนี้ไม่ให้ทําถึงขั้นนั้นอยงั้นไม่ได้เคเดินดุกรมนี้ต้องการให้เป็นสมาธิตื่นให้รู้ตัวอยู่ตลอดอย่าปล่อยให้เคลิบ ถ, ถ้ามาันจะเคริบ อ, อย่างนั้นแล้วต้องหยุดหยุดแล้วก็ยืนไว้เฉยๆอย่าเดินต่อไป จนกระทั่งมีความรู้สึกล็อกเซ็นแล้วเราก็ถึงค่อยเดินต่อคือเรื่องของการทำสมาธิที่จะให้เกิดสมาธิลึกนั้นต้องอยู่ในอริยาบทนั่งอริยาบทเดินนั้นจะเพาะให้เป็นสมาธิตื่นเพื่อให้มีสติต้องการที่จะอบรมสตินี้ให้แก่กล้าเพราะว่าการอบรมสติให้แก่กล้าคือการสร้างพลังจิตที่ได้ผล เราก็สามารถที่จะนาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้ในขณะที่เดินจงกรมจึงให้มีสติตลอดครับเดี๋ยวขอคำถามอีกข้อนหนึ่งครับ อ, อยากจะถามท่านพระอาจารย์ว่าจิตหรือใจเหล่านี้ไม่ทราบว่าเมื่อละจากรสังขารที่แตกลับไปแล้วจิตนี้ยังอยู่หรือไม่สามารถแตกดับได้เหมือนสังขารได้หรือไม่หากได้นี้พิธีการอย่างไรครับท่าน จิตนี่ไม่ไม่มีการแตกดับเป็นอมตะเวลาร่างกายแตกดับจิตก็ต้องออกไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในภพ ต, ต่างๆตามแต่ที่บุญกรรมได้ทำไว้ครับขออีกข้อหนึ่งครับกายละเอียดหรืออธิสมันกายนี้นี่ไม่ทราบว่าความละเอียดอ่อนมีกี่ชั้นหรือเพียงชั้นเดียว คือเช่นความละเอียดน อ, อนของสมาธิเป็นทันทันไปอันนี้ก็ที่นนมันกายคือกายละเอียดที่เวลาเรานอนหลับเวลานอนนอนหลับเราก็ไปอยู่ที่กายละเอียดเป็นอย่างนั้น <c oughs> กายละเอียดก็ไม่ลึกนักหรอกครับตอนนี้จะกายละเอียดกับกายทิพย์เนี่ยเหมือนกันแล้วก็แตกแต่างกันอย่างไรครับหรือคลายกันหรือไ ม, ไ ม, ไมครับ ไม่แตกต่างกันเดียวกัน <c oughs> ครับติดนิดนึงครับอาจารยอาจารย์งก็ขึ้นมาถามแล้วนะฮะการนั่งสมาธินี้เมื่อเกิดเห็นนิมิตจะเป็นแสงหรือสิ่งต่างๆก็ตามควรจะกําหนดที่นิมิตหรือกําหนดที่ภาวาต่อหรือจะถืออุเบกขาไว้ขณะที่นิมิตเกิดลืมไปลืมภาวนาไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดนิมิตนั้น อ, อันนี้ไม่ตอบเพราะว่ามันเกินไป เป็นคำถามมากไปขอหยุดตอบครับครับแล้วไปขอบคุณท่านประอาจารย์ครับ